ดูราชาสูตสตรรสูนี้ก็เป็นสูตรที่เป็นเบื้องต้นว่าเป็นตัวอย่างอุปมาเปรียบเทียบในการเจริญเมตตาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแหลพระเจ้าเปรตที่โกศลประทับอยู่บนปราสาสตร์อันประเสริฐชั้นบนพร้อมด้วยผนางมริกาเทวีลำดับนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลตรัสถามผนางมริกาเทวีว่า ดูก่อนนางมลิกามีใครอื่นบ้างไหมที่น้องรักยิ่งกว่าตนมีบ้างไหมว่างั้นเถอะบทว่าโกจันโยอัตนาปิยตโรใครใครอื่นที่เธอจะพึงรักยิ่งกว่าตนมีอยู่หรือถามว่าทําไมพระเจ้าประเสริฐทีโกศลจึงถามอย่างนี้ตอบว่าเพราะพนางมลิกานี้เป็นที่ดาของนายมาลาการผู้เข็นใจในกรุงสาวัตถีเป็นลูกของเจ้าของสวนดอกไม้ยากจนคนหนึ่ง วันหนึ่งซื้อขนมมาจากตลาดไปสวนดอกไม้คิดว่าจะกินก็เดินไปพบพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์กําลังเข้าไปพิกษจารย์สวนทางมามีใจเลื่อมใสถวายขนมนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าภาษาสดาสแสดงอาการประทับนั่งในที่เห็นปานนั้นผ้านนทิระก็ได้ปูจีวรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งในที่นั้นเสวยขนมนั้นแล้วบ้วนพระโอษรงทําการแย้มให้ปรากฏ พระนนเถระทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิบากแห่งทานของหญิงคนนี้เนี่ยจะเป็นเช่นไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอนนนวันนี้นางได้ถวายโภชนะแก่ตถาคตเป็นครั้งแรกในวันนี้แหละนางจากเป็นอัครมเหสีเป็นที่รักเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ากุศลก็ในวันนั้นนั่นเองพระราชาเนี่ยรบกับล้านในกาศิกขาม วันนั้นเนี่ยรบแพ้พระเจ้าชาติศัตรูก็เลยหนีมาเข้าเมืองไปรบพระเจ้าชาติศัตรูรบก็ห น, นีเข้ามารอหมู่พลก็เลยเสด็จเข้าไปยังสวนดอกไม้นางมาริกาเห็นพระราชาเสด็จมาก็จึงปรนิบัติเท้าเธอพระราชานี่ทรงโปรดปรานในการปรนิบัติของนางแล้วก็รับสั่งให้เรียกบิดามาประทานอิสรยยศเป็นอันมากแล้วก็นํานางเนี่ยเข้าไปภายในพระราชวังสถาปนาไว้ในตําแหน่งอัครมหาสี ภายหลังวันหนึ่งพระราชาทรงนําเรียว่าเราให้อิสริยศเป็นอันมากแก่นางถ้ากระไรเราพึ่งถามนางว่าใครเป็นที่รักของเธอเนี่ยนะถ้านางทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เป็นที่รักของหม่อมชันแล้วก็จะย้อนถามเราเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะตอบแกนางว่าเธอเท่านั้นเป็นที่รักของเราใช่ไหมวิธีที่จะสนทนากาันบอกว่าใครรักใครมากที่สุดก็ถามเพื่อจะได้คุยกันไปเรื่อยตามภาษาชาวโลก พระราชาเมื่อจะทรงทำสมโมชนิยะคำพูดที่ทำให้เกิดความบันเทิงให้เกิดความสนิทสนมแก่กันและกันก็ถามเพราะก็ถือว่าตอนนั้นก็ยังแต่งกันใหม่ๆนะก็ถามกันเพื่อที่จะบอกรักซึ่งกันและกันไปเนี่ยนะพระเทวีนี่เป็นบัณฑิต <c oughs> เป็นอุปถายิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอุปถาญิกาของพี่สุสงก็คิดว่าปัญหานี้ไม่สมควรที่จะเห็นแก่น้าพระราชาพูดเอาใจนะ เรีกว่าตอบเพราะเห็นแก่หน้าก็เลยพูดตามความเป็นจริงทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าหม่อมชันไม่มีใครอื่นที่จะเป็นที่รักยิ่งไปกว่าตนบอกหม่อมชันรักตัวเองที่สุดโลกนี้ไม่รู้จะรักใครมากเท่าตัวตัวเองอีกแล้วพระเทวีประสงค์จะกระทาอัดที่ตนยืนยันให้ประจักษ์แก่พระราชาเรามาดูเนื้อหาต่อบอกว่าธนามเมริกาทูลว่าไม่มีใครอื่นที่หม่อมชันรักยิ่งไปกว่าตน แล้วก็ถามพระราชาคืนว่าก็ทูลกระหม่อมเล่ามีใครอื่นที่รักยิ่งกว่าพระองค์ไหมพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยนะก็ที่จริงเนี่ยไม่อยากจะตอบแบบนี้เรากาอยากจะบอกว่าเธอนั่นแหละแต่ว่าแม้อีกฝ่ายหนึ่งตัดไปแล้วใช่ไหมตัวเองก็เลยเอาบ้างบอกแม้ฉันก็ไม่รักใครยิ่งกว่าตนครั้งนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลเสด็จลงจากปราสาทแล้วก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมและประทับนั่งนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญหม่อมฉันอยู่บนปราศาสกับพนางมลิกาได้ถามพนางมลิกาเทวีว่ามีใครอื่นที่น้องรักยิ่งกว่าตนเมื่อหม่อมฉันถามอย่างนี้พนางมาลิกาเทวีกล่าววา่าพระพุทธเจ้าข่าหามีใครอื่นที่หม่อมฉันจะรักยิ่งกว่าตนไม่ก็ทูลกระหม่อมเล่า มีใครอื่นที่รักยิ่งกว่าพระองค์หม่อมฉันเมื่อถูกถามอย่างนี้เข้าจึงได้ตอบพระนางมาริกาว่าแม้ฉันก็ไม่มีใครอื่นที่จะรักยิ่งกว่าตนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงแป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าใครๆตรวจตราด้วยจิตทั่วทุกทิศแล้วหาได้พบผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนไหนเลยไม่ หมายความว่าไม่มีเลยตรวจไปแล้วที่จะรักเท่ากับตัวเองใช่ไหมทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบนื้องล่างรักรักเกินตัวเองนี่มีไหมเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่าอื่นก็รักตนมากเหมือนกันทุกคนแสดงว่ารักตัวเองที่สุดนะนั่งในห้องนี้นั่งกี่คนก็รักตัวเองมากที่สุดใช่ไหมไม่เชื่อเราอยู่ด้วยกัน น, นะ่ยบอกรักคนนี้มากที่สุดเขาไม่ยอมกินข้าวตัวเองก็รักเขาด้วยไม่ยอมกินด้วยกันกี่วันนาะเนี่ยนะคนอื่นเขาบอกว่าเขาไม่ยอมหายใจยตัวเองเอาด้วยไหมไม่ยอมเด็ดขาดเลยนะ พันสัตว์เหล่าเอิญเขาก็รักตัวเองมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รักตนไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นผู้ที่รักตัวเองเนี่ยก็ไม่ควรเบียดเบียนต่อผู้อื่นนะก็มาดูในหน้าสี่แปดสามว่าครั้นตรัสรยืนยันแล้วเพราะความที่พระเจ้าปเสนเนี่ยจริงจปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนก็คือฉลาดไม่มากฉลาดเหมือนกันแต่ว่าฉลาดไม่มาก มีความอ่อนทางสติปัญญาอ่อนคณิตศาสตร์อ่อนประวัติศาสตร์อ่อนเคมีอ่อนฟิสิกส์ไอ้คำว่าอ่อนในที่นี้นะอ่อนปัญญาก็คือมันไม่ค่อยมา ก, ก น, นะถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วพระเจ้าปเสนไม่ฉลาดเขายุแยหน่อยก็ฆ่าเ้าหมดละหลายเรื่องด้วยกันนะพระเจ้าปเสนที่โกศซนเนี่ยทำอะไรพลาดหลายอย่างเพราะความที่ตัวเองไม่ฉลาดอย่างเมื่อเช้าจะไม่ว่าบอกเออเอาไปประจานเลยอย่างเงี้ยยังไม่ทันคิดเลยให้คนเนี่ยไปประจานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะพวก ทหารเป็นต้นเนี่ยเขามาส่อเสียดพันธุระเสนาบดีก็สั่งฆ่าพันธุระเสนาบดีพร้อมทั้งลูกทั้งหลายคนเนี่ยนะก็มีหลายกรณีด้วยกันก็ทำพลาดเยอะมากเลยไอความที่ไม่ฉลาดนี่แหละถ้าเป็นใหญ่เป็นโตแล้วไม่ฉลาดนี่เดือดร้อนนะประสบบาป พ, พอสมควรเนะี่ยแหละความที่ตัวเองไม่ฉลาดก็เลยคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินครอบครองปกครองปฐพีมนทลใหญ่ การจะยืนยันว่าเราไม่เห็นคนอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนดังนี้ไม่สมควรแก่เราเลยแต่นางนี้เป็นหญิงถ่อยชาติชั่วนีขณะเราตั้งไว้ในตําแหน่งสูงก็ยังไม่รักเราผู้เป็นสามีอย่างแท้จริงยังกล่าวต่อหน้าเราว่าตนเท่านั้นเป็นที่รักแก่ตนดังนี้แล้วไม่พอใจไม่พอพระไทยประท้วงว่าเธอรักพระรัตนตรัยมากกว่าหรือก็ยังถามต่อไปอีกนะงั้นเธอก็รักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากกว่าฉันสิ พระนางเทวีก็ทูลตอบว่าพระเจ้าข่าหม่อมฉันได้ปรารถนาความสุขในสวรรค์ปรารถนาความสุขเพื่อมรรคผลเพื่อตนแม้พระตนตรายหม่อมฉันก็รักเพราะฉะนั้นตนนั่นแลเป็นที่รักยิ่งของหม่อมฉันก็เพราะสัตว์โลกทั้งหมดรักคนอื่นก็เพื่อประโยชน์แก่ตนเท่านั้นเองก็เพราะตัวเองรักตัวเองนะจริงๆเหมือนรักผู้อื่นก็เพื่อ เพื่อตัวเองนั่นแหละแม้เมื่อปรารถนาบุตรก็ปรารถนาว่าบุตรนี้จกเลี้ยงดูเราเมื่อยามแก่เมื่อปรารถนาลูกสาวก็ปรารถนาว่าตระกูลของเราจากเจริญขึ้นเมื่อปรารถนาภริยาก็ปรารถนาว่าเธอจกบำเรอเท้าเราแต่หญิงแขกนะโบราณเขาจะนวดมือนวดเท้าให้สามีเมื่อปรารถนาคนอื่นแม้จะเป็นญาติมิตรพวกพ้องก็ปรารถนาเนื่องด้วยกิจนั้นๆเขาจะได้ช่วยเรื่องนั้นเรื่องนั้นงานของเราก็จะได้ ล่วงไปเพราะฉะนั้นชาวโลกผู้เห็นแก่ประโยชน์แก่ตนเท่านั้นจึงรักคนอื่นรวมความว่าพระเทวีนี้มีความประสงค์อย่างนี้อย่างที่รักพระรัตนตรายทําไมจึงรักพระรัตนตรายรู้ไหมเพราะพระรัตนตรายช่วยให้ตัวเองได้ความสุขในสวรรค์ความสุขในมรรคผลนิพพานได้จึงรักพระรัตนตรายแล้วทําไมไม่ไปรักคนที่ไหนไม่รู้แอฟริกาทวีปไหนก็ไม่รู้ที่ไม่ได้ให้ผลประโยชน์อะไรทําไมเราไม่ไปรักไปหลงไหลอะไรขนาดนั้น แล้วบางคนที่เขาอุทิศชีวิตเพื่อลิงเน่ยก็แสดงว่ารักลิงมากนะเพราะอยู่กับลิงแล้วมีความสุขใช่ไหมบางคนนี่เป็นอย่างนั้นนะมีความสุขสละทุนเลี้ยงดูลิงเนี่ยเป็นล้านเลยหลายๆลาล้านเลยบำเรอสัตว์เลี้ยงเลยนะไม่น่าเชื่อเลยก็แล้วแต่ว่าคิดว่าสิ่งใดจะให้ตัวเองมีความสุขเท่าใดก็ปลนเปลอสิ่งนั้นเข้าไปสละเพื่อสิ่งนั้นไปเพราะตัวเองคิดว่าเมื่อทุ่มเทให้แก่สิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นจะให้ความสุขแก่ตนใช่ไหม แต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาทุ่มเทให้สิ่งใดโดยมากเขาจะเดือดร้อนเพราะสิ่งนั้นนั่นแหละพระราชาก็คิดว่านางมริกานี้เป็นคนฉลาดเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมก็คิดไปคิดมานะตอนแรกก็นึกด่าก่อนเลยแมยิงถอยชาติชั่วมีตรกุศตั้งไว้ซะสูงส่งนะยังมาว่ารักตัวเองมากกว่ารักเราอีกคิดไปคิดมานางก็ฉลาดนะตัวเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมนางก็ยังพูดว่าตนนั่นแหลเป็นที่รักยิ่งกว่าเรา หมายความว่าเธอรักตัวเองมากกว่ารักเราอีกแม้ตนของเรานั่นแหละก็ปรากฏว่าเป็นที่รักเอาเธอะเราจะกราบทูลเรื่องนี้แด่พระศาสดาและเราจะจําเธอไว้ตามที่พระศาสดาพยากรณ์แก่เราพระพุทธเจ้าพอได้ฟังคําที่พระเจ้าปเปเสนที่โกศลเล่าเรื่องเรื่องอะไรเรื่องถามความรักจากนางมาริกาใช่ไหมพวงพอรู้เรื่องโดยประการทั้งปวง ที่พระราชาตรัสว่าสัพรพสัตว์ในโลกซึ่งมีตนเป็นที่รักอย่างยิ่งมีตนนี่แหละเป็นที่รักที่สุดของตนจึงเป่งอุทานอันแสดงเนื้อความนี้นั้นก็บอกว่าสัพพาธิสาอนุปริคัมมะเจตสาส่งจิตไปด้วยอํานาจการสแสวงหาทั่วทั้งหมดทั้งสิบทิศแสวงหาไปทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาทิศเฉียงเฉียงอีกสับวางระหว่างทิศอีกนะทิศบนทิศล่างสิบทิศ คนบางคนมีความอุตสาหะอย่างแรงสแสวงหาบุคคลผู้เป็นที่รักแก่ตนไม่พึงพบคือไม่พึงประสบในที่ใดที่หนึ่งอ้าวแล้วไปเจอคนที่ตัวเองรักมากล่ะก็เพราะว่าเชื่อว่าคนนั้นจะให้ความสุขแก่ตนได้ใช่ไหมก็เลยรักบุคคลนั้นมากเพรา ะ, ะนั้นที่จริงก็รักตัวเองนั่นแหละมากที่สุดเอวังปิโยปุทุอตาเปเรสัง สัตว์เหล่านั้นเหล่านั้นมีตนเป็นที่รักมากคือเป็นพวกพวกเหมือนอย่างนั้นคือจะหาใครผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าตนก็ไม่ได้ตสมานะหิงเสปรมาต伽โมความว่าเหตุที่สัตว์ทั้งหมดรักตัวเองคือรักสุขเกลียดทุกอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้รักตนเมื่อปรารถนาหิตสุขเพื่อตนถ้าปรารถนาความสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตัวเองจริงๆ ไม่พึงเบียดเบียนไม่พึงฆ่าสัตว์อื่นโดยที่สุดแม้มดดำมดแดงทั้งไม่เบียดเบียนด้วยประหารนะวะัตถุหมาว่าจะเป็นฝ่ามือก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นเน่นะประหารณะวัตถุก็คือวัตถุเป็นเครื่องประหารเน่นะมีฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้เป็นต้นจริงอยู่เมื่อตนทำทุกให้แก่ผู้อื่นทุกนั้นเป็นเหมือนก้าวออกจากกรรมที่ตนทำไว้แล้วนั้น จะปรากฏแก่ตนในเวลาใกล้ตายถ้าเราให้ทุกแก่ผู้อื่นเราจะนึกถึงความทุกตัวนั้นในเวลาใกล้ตายทําไมอ่ะข้อนี้เป็นธรรมดาของกรรมใช่ไหมเป็นธรรมดาของกรรมอ่ะคือใครทําอะไรไว้ตัวเองก็จะนึกถึงใช่ไหมคนเนี่ยมันชอบพูดถึงสิ่งที่ตัวเองทําก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะอะไรเพราะเป็นธรรมดาถึงสิ่งที่ตัวเองทําไว้แล้วเพรา ะ, ะสิ่งใดที่ทําไว้แล้วไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลัง สิ่งนั้นควรทำจากสูตรนี้เนี่ยนะที่กล่าวให้เห็นถึงว่าเบื้องต้นของใครที่จะเจริญเมตตาเนี่ยนะให้ถือเอาตัวเองเป็นพยานว่าเรานี่เป็นผู้ที่รักสุขเกลียดทุกข์เราปรารถนาะประโยชน์ปรารถนาเกื้อกูลปรารถนาความสุขปรารถนาะความไม่มีเวรปรารถนาะความไม่มีภยัยปรารถนาะความสะดวกความสบายปรารถนาะทุกอย่างที่มันดีๆเนี่ยเราต้องการหมดเลยฉันใด สัตว์อื่นเขาก็ต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เจริญเมตตาให้สัตว์อื่นนี้ประสบแต่ความสุขใครที่ให้สิ่งใดแก่ผู้อื่นนะสิ่งนั้นตัวเองจะได้เพราะถ้าตัวเองให้ความสุขแก่ผู้อื่นได้ตัวเองก็จะประสบความสุขเพราะในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นใครที่จะเจริญเมตตาเนี่ยพยายามระลึกถึงตัวเองเอาไว้เสมอเอาตัวเองนี้เป็นพยานแห่งการเจริญเมตตา